อยูเ่เยอะม่ค่อยไดู้่วัดื่นไปยื่มางานที่ไปทำเกี่ยวขอ้องกับงานวันเกิดก็งานวันตายสองงานเป็นหลัก ง, งานวันเกิดก็สะรองกันโดยตัวมดปัญหาหานสิบล้าน เป็นงานวันตายทั้งสองงานงานวันเกิดก็แสดงความดีกันส่วนงานวันตายก็ไปแสดงความเสียใจแต่เพระออกรวมเกิดกับตายจึงห่างจึงช่วงในระหว่างเกิดกับตาย เราไม่ค่อยดูกันไม่ค่อยฟังพิจารณากันเราไปมองจิตเกิดกับตาย mm hmm. เราต้องมาดูพุทธเจ้าคุทจะสอนเรื่องเกิดว่ายังไงสอนเรื่องตายว่ายังไงเพราความทีเราไม่ค่อยฟังหลวงพิจารณ์ไม่รู้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปป็นธรรม การทำในรูปธรรมมันน่าจะมองเห็นตรงส่วนนามธรรมส่วนรองเห็นได้ยากแต่ก็พะอาศัยรูปธรรมเราจึงเห็นหนามธรรมชัดเจนแล้ผปุวิชัยก็เรื่องอีกการโวงใจมาวัดเรา แล้วเข้ามาวัดยาคนอิฐเข้ามาวัดเขพูดถึงอิฐถ้ามองมันเป็นธรรมะมันปฏิแดงเราเมื่อก่อนก็อิฐเสาปติแดงเชื่วอวปถีแดงเพราะเป็นอีกเดงเครื่องไม้เครื่องปูนคืานำลักงานในตรรกะสร้างเมื่อก่อนเราปฏิแดงแล้วก็เอาอิฐ มิดดองเงี้ยก่อเป็นสีแดงเร็วๆก็ติด้งอือจริงมันไม่ได้เดงทั้งหลังถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับเรื่องธรรมดาเหมือนเล่าเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ทั่วไปแต่อยากให้พวกเรามองโดยได้ยินได้ฟังจบลงที่เป็นธรรมก็คือธรรมะ ไม่ได้ธรรมะเองเรายังเข้าใจผิดฉั่นคําพูดภาษาไทยเราบวกธรรมะชนะอธรรมนี่นภาษาโลกนะคนโลกเขาพูดกันอย่างซึ่งยังไม่รู้ว่าธรรมะมันคืออะไรพระธรรมมัคืออะไรมันชนะกันไปอย่างไรก็กลับมาที่อิดที่กติแดงถ้าเราไม่ยึดมันหมดไม่มีอะไร ควรไงผมมันไม่เกิดสติปัญญามันสุดท้ายปลายทางเหมือนกันในดวงชีวิตของเราให้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาเมื่อกลังที่เราทักว่ากุฏิ ด, ดงงดูอิดเดินอิดยิ่งก่อมันยิ่งสูงําเหตุปัจจัยของมันสภาวะอ อิดอีดกตัวหนึ่งที่อิดฉ้าอันันยิ่งก่อยิ่งต่ําอันนั้นไู่นนมสมถ้าใครไปก่ออิดชา้าเมื่อไหรจิตมันก็ยิ่งต่ําลงมันไม่สูเพิ่มยิ่งต่ำว่าอิดอิดแดงอึดก่อเรื่องก่อยิ่งสูงยิ่งสวยแข็งแรงแต่อิดชา้าอยู่ที่ไหนก็ตามเกิดที่ไหนก็ตามใครก่อ คนนั้นมันต่งมันกรร็ยุงต่งมันเกี่ยวกับเขาวัดเขาว่าทําทำจำเสียงเวนานเขาดูชัดเจนที่เป็นรูปประธรรมกนนามธรรมเพราะนั้นเขาเรีย ว, ว่าธรรมะโดยภาษาภาษาทางธรรมธรรมะก็รื่องสังคตะธร ร, รมคือต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งต้องเกิดปรากฏตัว เกิดแปลภูมแล้วก็ดับไปในที่สุดนี่คือสภาวะที่ว่าธรรมะแปรภูมิง่ายแปรเข้าใจสังขารธรรมมันก็คือขันห่านี่หละเพราะฉะนั้นที่เราคิดเราปรุงเราแต่งมันก็คือขันห่านี่มันไม่วันจบสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายเพราะขันหา่าปิ้วข้องของเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่เรามองไม่เห็นมัน มันอิด ก, กับอิจฉาเนี่ยมองไม่เห็นนะถ้าระมองเห็นอย่างนี้ในระหว่างเกิดกับตายเรียกว่าสาง ก, ษษษษษษกัดธรรมเขามาเอามาปรงอะไรมาโปรงเอาขั้นห้าเนี่มาปรงขันห้าคือคือรูปเวทนาสัญญาทั้งการยืนยางคือเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับเวทนาสัญญาทั้งการยืนยางอันนี้แหละคือตัวเป็นโวคัณหลักเป็นเชือกมัดมัดตัวเอง ยิงมากก็ยึงดึงไม่หลุดพอไปมัดตัวเองพันตัวเองกลายเป็นเครื่องพันธนาการเชือกหลายเส้นจึงเยอะซึ่งมัดตัวเองดึงไม่หลุดนะก็เรียกว่าไม่คนวินจารจึงให้ต่างโจทย์แต่ว่านั่งคิดทุกข์ทำไรทีเห็นแก่ทุกข์ก็คือจะไปเอาเชือกมัดรัดรึงตัวเอง เมื่อมัดแล้วพยายามที่จะแก้การที่กะหาขออกไม่งั้นก็ไม่จบสุดท้ายก็ตายเปล่าโดยสภาวะอันนี้นคือธรรมเพราะนั้นธรรมะคือธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกที่ทุกทางทั่วโลกในแดนโลกธาตนนุมันไม่ต่างกันเพื่อแต่ว่าใครจะได้สติปัญญาจากสงเานี้มันน้อยจุดน้อยมากๆ ธรรมะคือธรรมดาธรรมชาติและธรรมะก็เฉดจักไม่คือความจริงใครจะปฏิเสธใครจะยอะมรับเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นให้การเปลี่นโดยธรรมชาติธรรมะหรือว่บธธรราบทบาทบอกชัดเจนว่าอธิบายสัส้นๆง่ายๆธรรมะคือหน้าที่เหมือนตาไม่โทษเขาไม่หรอกหน้าที่เขาคือเห็นไม่คือที่ของเขานี ส่วนเห็นแล้วชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับตาก็คือใจอย่าไปโทษที่ตาโอหเหมือนกันหน้าที่ของเขาคือฟังดูดูยิ้มส่วนได้ยินแล้วชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับใจนะแต่เราไปโทษหอ้โหากเหมือนกัน ท, ที่มันพูดออกมานับที่มีคนสักงมันให้มันพูดว่าจะเป็นพูดดีพูดไม่ดีแก็ตามนี่พูดตัวสั่งให้พูด แล้วเขาก็พูดตามตามหน้าที่ของเราอยู่ปางลิ้นก็มีหน้าที่ครับรถเอารถเปรี้ยวลงไปมันก็เป็นเปรี้ยวรถหวานบางลงไปมันก็เป็นหวานรถเค็มบางไปมันก็เป็นเค็มไม่โทษลิ้นก็ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่างนี้กิจเช่นเดีวยวกันนั้นเราจะไปโทษปัจจัยภายนอกคนรอบตัวรอบข้างจะไปโทษคนอื่นแล้วไม่โทษตัวเองก็คือไม่ดูตัวเองเมื่อไม่ดู มันก็ไม่เห็ น, างงานไม่หลักธรรมชาติเราวมาลืมตาดูมันก็ไม่เห็นแต่เห็นแล้วจะมีสติปัญญาจะเกิดสติปัญญายอย่างไงา น, นั้นเป็นเรื่องของตัวเราเรเห็นแล้วไม่เกิดสติปัญญาเลยเห็นทั้งชีวิตมันเจนขันาห้าเรามีใครที่บ้างเห็นรูปวเวทานาญ า, าส ก, การเป็นยางธาตุสื่อสารห้องพวกถึงหาแล้วพวกถึงธาต ทาตุสีเพราะขันหามาอาศัยทานอยู่มีใครจะเห็นจริงหัือในตัวตนของเราไม่เห็นดินกัก็เขาจะแผ่นดินเป็นดินทั่วโลกน้ำก็กเขาจะห้วยหนองคลองบึงทะเลหมาสะมดแล้วพูดถึงลมลมก็พัดไปพัดมาเด้ออากาศไฟหรือความร้อนมีอยู่ ทุกอนุแม้บรรยากาศคนอื่นเนนก็จะเห็นจริงทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราความที่เราไม่โอวนายุโปหลหรุดน้องรานตัวเองไปดูแต่คนอื่นไปดูแต่เรื่องอื่นสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเพราะมันหนึ่งมาต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเขาจะรลงอยากจะตายนำเบื้องต้นคือไปก็มีสองอย่างไม่เคยว่าตายคนั้นอ แต่เพียะว่ามันจะได้อะไจากการเกิดจะได้เราจากการตายถ้าไม่ไดอะไรทั้งหมดมีสภาพที่ไม่ต่างกันขว่าอาจารย์ดูขว า, จารจันแต่ละรูปแต่นามรูปสภาพการเกิด<ม>การตายแล้วป็นภา ษ, ษาเราไม่ได้่านมันต่างกันมันทําไมท่านท่านจากไปแล้วผู้คนยังคิดถึงนึกถึงปู่ชาการว่า พราะคนอยู่ถึงต่างกับบุคคลทั่วไปบครรุคคลโทศัพท์เช่นทำไมเพราะอะไรก็บอกว่าอยู่ด้วยกันประพฤติปฏิบัติธรามตัวกายวาจาใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พราะนั้นที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีลมหายใจลมหายใจในกาะจะมีข้ามมากที่สุดถ้าไม่มีลมหายใจกับทุกอย่างหมด เราจะไปฝากชีวิตไกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้รับมันก็ตามก็เพื่อมาบังรุงทัศน์สีขั้นห้างเละไม่รูว่าปัจจัยสีเอามาก็เปบำรุงดูแลรักษาพูดงานไนองความต้องการแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดความต้องการของมนุษย์ไม่เบี่ยนที่สุ ด, สดความต้องการนี่เลยพระุทธองค์จะรู้ว่าตันหา คือความทะลุทะยาอยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองนี่เกิดกับเราเราก็ไม่รู้จักโลภะคืออะไรโทสะคืออะไรโมหะคืออะไรสุดท้ายกลเป็นท่าเรวาเป็นท่าของตัณหาก็คือความอยากนั่นเองเมื่อตัณหาคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นสุดท้ายปลายทานผลของเขาก็คือทุกข์ ไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์คจะทุกข์เรื่องอะไรก็เรื่องนึนแล้วก็ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะรู้จักหรือไม่ว่ามันทุกข์รู้จักสาเหตุของมันหรือไม่มันทุกข์เพราะอะไรพระเจ้าอธิบายสั่งว่าทุกข์เรื่องที่กันมันคําว่าทุกข์ก็คือคํำยิ่งใหญ่มากไม่สามาธิมีใครเข้าใจสินน่งนี้และทาสินน่งนี้แล้วก็พ้นจากสิ่งนี้ได้ ผพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้จะโดโด้นทุกข์น้อยโลกนี้มีน้อยเราก็เหิดลทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นที่ต้องทําอย่างไรเหตุทางทุกข์เกิดขึ้นที่ต้องทําอย่างไรก็ทําให้แจ้งตอนที่สามทำให้แ จ, จ้งสว่างเหมือนมืดกับสว่างไปอยู่ในความสว่างทําให้ตาสว่างทําให้ใจสว่าง ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาที่เรามียอยู่เครื่องกราบข้อสุดท้ายปัิทํายังไงหนึ่งสามสี่เที่อจะได้ผลก็คือหอนทางสูกไหมคือวิธีปฏิบัติหนทางเดินในการดำเนินชีวิตนก็คือศิลสมาธิปัญญาพูดกันมาจานน้ำลายแตกเป็นใครเข้าใจเรื่องหลังนี้จะเป็นเรื่องของอันนี้คือการดำเนินชีวิต ท่านกระสือลงไปฟัสั้นๆง่ายๆสามสี่ข้อนั่นเองสีเรามันมีมากไปกว่านั้นนอกนั้นไม่มีสาระอะไรเลยใครจะเป็นท่านสี่ขันห้าที่มีอยู่นี่ดึงน้ําไฟลมที่มีอยู่มันไม่มีสาระอะไรเมื่มันอยู่ประชุมกันอยู่มันรวมกันอยู่วันหนึ่งมันก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามสภาวะของเขาเพรอยู่บนโลกเหมือนโลกไหนอยู่ตรงไหนโซนไหนของโลกเหมือนกันหมด ประธานก็ไ่เหมือนสาระอะไรเกิด ต, ตัวที่ไปต่อคือสื่อท่าสื่อคือจิตนั่นคือสภาวะเพราะนั้นสภาวะที่เป็นธรรมหรือว่าสังคต ธ, ธรรมเขาจะประกอบโดยภาษาอาวิธรรมก็เรียกว่าจิตเจตสุขรู้แล้วก็นิพพานอนนี่คือสังคต ธ, ธรรมส่วนอาสังคต ธ, ธรรมทคืาอาธรรมอย่าง พูดง่ายก็คือนิพพานเป็นสภาพที่ไม่มีอะไรมาปรงมาแต่งจะไม่มีอะไรที่มันมาเกิดมาดับไม่มีอะไรที่มาเสื่อมสลายแปร่าปูนไปตามธรรมชาตินั่นคืออักสษสรภาาธรรมภาษาเรามง่ายคือนิพพานขณะที่มีจิตอยู่มันก็มีเตจเตสิตที่เป็นประกอบอยู่ในจิตทําให้จิตมันเศร้าหมองทำจิตมันมืดมนมืดหมังมอ ง, มอ ง, มองไม่ออกเห็นไม่ออก ปิดหูปิดตามองอะไรไม่เห็นโดยสภาพจิตเจสิกขรูปทั้งหมดเนี่ยมันอาศัยรูปรูปก็คือดินหน้าไปลนรูปประคันเราจะเรียกรูปประคันทาไมรูปประคันว่ามันเป็นกองแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองที่เรารูปประคันอีส่วนนเรียกวอนานามปรันอันนัสิ่งทีเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดเพื่อละสองปล่อยวางสองหลงก็คือสังฆตธรรมอาสังฆตาธรรมคือธรรมะกับอาธรรมแบบสภาพปัตมะสภาพคือสภาวะก็คือสภาพคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าคือสภาพอะไะสภาพของดินน้ำไฟลม ว่าของเวทนาสัญญาสังขารยิ่งให ญ, ญ่เรารูปธรรมนามธรรมมันเป็นสภาวะคือเขาอยู่ในสภาวะอย่างนีน้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาพอก็ไม่มีทางรู้สภาพหลังเรื่องสภาวะธรรมเรื่องสภาวะธรรมก็ไม่เกิดขึ้นคือไม่เกิดขึ้นในตัวเราเมื่อสภาวะธรรมกับไม่เกิดขึ้นเราก็ได้แต่ก้นชื่อ รู้จักทำรู้หมดแปดหมืพันพระธรรมคันพระไตปิดก พ, ด พ, พ, พูดเลยว่าสุรโธทัตโพสุลภิธรรมและก็วินัยเรียกว่าพระจัยปิฎก8ป0 0 0มพันพรธรรมคันศึกษาเท่าไหร่ก็มันยิ่งวัวพันหลักก็เรียกว่าเป็นผู้รู้เองง่ายเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ธรรมแต่ไม่ใช่เป็นคนมีธรรม ทุกวันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้สภาวะโดยทั่วๆไปคนที่รู้ธรรมะเจอทั้งคาราวาติโยมประโสงโอเนงคนรู้จกักธรรมเยอะอธิบายจนนกแก้วนกฝนทองจนน้ำลายไหลอธิบายอธิบายได้หมดแต่คนมีธรรมนั้นมีน้อยมันต่างกันเราจะเรือกเอาเรียกคนจะคบหาคนที่รู้จักธรรมแล้วคนมีธรรม พอจะหาแต่คนรู้จักจทำอธิบายได้ดีกว่านะโอหน้าฟังปูชาหน้าฟังคาวัจจโจมัมนเราจะได้ยินาวา่ลคารวะบรรลุธรรมคลรวะสอนธรรมเริ่มวิปริตเพี้ยนไปจริงๆมันคําตัวเดียวกันมันไม่เกี่าวายวคารวะเจ้าจมธรรมะมันเป็นของกลางใครพูดเหมือนกันหมดพระเล็กเนีนน้อยพระเทีนเนียนชี เครจะเคยมาพูดแต่นั้นคนคนรู้ทำมันแล้วคนมีทำมันเยอะยิง่งครับวันยิ่งเยอะยิ่งสับสนก็ได้ไปสัทธาผานความเชื่อความเลื่อมใสแรกเท่านั้นสิ่งที่ต่อไปนั้นมีปัญญาไมนได้ไปสัทธานี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้ น, น, นถ้าเรายังมัวเมาประมาทันสิ่งนี้อยู่ ยังไม่ได้เรียนผลขวายยังมากระจายธรรมะด้วยแท้จริงธรรมะคือธรรมชาติธรรมดา็กติเป็นกฎเป็นกติกาของโลกมันก็มีอยู่มันเป็นอยู่เยอะนี้เป็นกฎใจรักเป็นต้นธรรมัญญาจริงๆเราธรมรมัญญาคือก็กำหนดแน่นอนปปปปเป็นเรื่องปติเป็นเรื่อธรรมดาจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วเราก็รับกฎนั้นก็อันทสองก็คือ เราจะต้องได้รับผลของกฎนะั้นอันนี้คือสิ่งที่พระจ้าพยายามที่บอกชี้แจงแสดงให้พวกเราฟังตลอดสี่สิบห้าพรรษาอยอธิบายเรื่องเรื่อ ง, งธรรมชาติถ้้เข้าใจธรรมชาติถ้้เข้าใจความเป็นธรรมดาเข้าใจตักฎเข้าใจตัความจริงจะ่มีอยู่ความจริงที่สัจจะที่มีอยู่ แล้วก็ยอมรับยอมลับความจริงที่มันเป็นอยู่ว่าจะกดธรรมดาก็ตางกดธรรมชาตินี้มันไม่ใช่าร ต, ต, ตั้งมันขึ้นมาไม่ได้บ่นกฎหมายแต่ละบ้านแต่ละเมืองมันไม่เหมือนกันการปกครอ ง, ออรองขราชบริพารอาชการบ้านเมืองมันจําเป็นทั้งอาศัยกฎกติกาเอาเร็วกฎคุมคนอาศัยกฎเนี่ยคุมคน แล้วอาศัยคนเนี่ยมาคุ้มกฎอีกทีหนึ่งเรียกว่ากฎคุมคนคนคุ้มกฎเหมือนกฎหมายบรรดากฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดอันนี้กฎคุมคนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาก็ต่างแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎนี้ไม่งั้นเดือดร้อนอันนี้ก็รัฐธรรมนูญคือกฎคุมคนแล้วก็อาศัยคน มันคุมกดอีกเส้นหนึ่งเพือรัษาใครไม่ทางทกฎกติการะเบียบนี้ไม่ได้อันนี้คือโดยสภาพโดยไปซึ่งต่างกับกฎธรรมชาติไม่มีใครตั้งเขาเป็นอยู่อย่างนั้นจนเกิดแก่จะตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัดไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกฎธรรมชาติไม่มีใครตั้งและทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันนี้นจะตั้งไปตั้งก็ตามยอมรับไม่ยอมรับก็าตามมันเป็นสัตว์ จะคือความจริงแต่เราไม่เรียนรู้เราไม่อยอมรับสิ่นเหล่านอันนี้คือสภาวะหรือว่าสภาพวันนั้นเราฝากพวกเราทุกคนว่าอารมณ์ตอนจำเมื่อแล้วราพูดถึงอิกนะมี ก, ก่อมันยิงสูงจะ่อิดชา้านมันไม่มีในสูงไม่ได้ต่ําโดยเฉพาะตัวเราเองคนอื่นเขาก็มองต่ำในตัวกเองก็ได้ผ่าอันนี้ความยึดอาการวันนั้น พยายามที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ น, นิ่งน้อยที่สุดเท่าที่มีได้ดูตัวเองพิจารณาตัวเองเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับมาตัวเองว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้ น, นรอบตัวเราบ้งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็อย่าไปยุ่งเรื่องเอาตัวเองมีอะไรเยอะแยะทำหมต้องบริหารจัดการในชีวิตทุกข์ของตัวเองมีเท่าไหร่ทาไมไม่ดูทําไมไม่มองไปมองทุกข์มองสุ ข, ของคนอื่นเขา ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาจนขเขารวยเขาดีเขาชั่วติดคูกปิดตารางไม่เกี่ยวอะไรกับเราธุรกิจเขาเ ร, รับช่างไม่เกี่ยวนี่คือความแตกต่างระหว่างธรรมกับธรรมะคือเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเ ร, รื่องปกติทั่วไปส่วนอาธรรมมันเกิดปก ต, ติเป็นภาษาโลกของเช่นการสแสวงหาเงินทองการรุมชีวิตเขากหาปกติ ธ, ธรรมะข้าว มนุษย์เงินเดือนมั่งเรียกว่าได้มาโดยปกติได้มาโดยสุดเจอืออันนี้คือธรรมาส่วนอาธรรมไม่คํานึงคือพวกเรานั้นยังไงก็ได้ขอให้ได้มาจบชิงวิญญาณสจริศข้อรับชั่นขอให้ได้มาซึ่งเงินเหมือนกันระหว่างธรรมะกับอาธรรม ต, ามตาม่างกันคนที่มีธรรมกับคนที่เป็นอาธรรมที่เกิดขึ้นปฏิแจงเรามันต่างกันอย่างนี้เพราะนั้น ให้นึกถึงว่าเราทำหน้าที่นะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนอาทตย์ตาหูจมูกเลื่อนใจใจเขาก็าทําที่ของเขาเพราะฉะนั้นแต่ตัวสําคัญที่สุดคือใจใจตัวเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ทวนเขาไม่ถึงใจไม่เข้าใจสภาวะใจหรือจิตของเราอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องใจญ่เป็นเรื่องสําคัญมากในตัวเรา เพราะอันนี้มันต้องไปต่อวนว่าอยู่อย่างเวียนกลับไปกลับมาเรียกว่วนเรียกว่าวัฏะไม่ไปไหนมานั้นนะมันก็วนไปอยู่นู้นคืออธิบ า, ายเคพูดหลายครั้งแล้วว่าวัติคุภูมิมันเกิดขึ้นกับปัจจุบันมันไม่เิดขึ้นกับอดีตอ น, นาคตขึ้นกับปัจจุบันยังไงวัตะคืออะไรมันแปลว่าวนก็สามเรื่องอยู่นู้นมนุษย์เรามีอยู่สามเรื่องเรื่องหนึ่งความคิดคาพูด แล้วก็การกระทงเรามาพิจารณาดูว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็ น, ตต น, นวัตตะตัวไหนก็ยังวนเรื่องเดิมเรื่องทน่เรไม่ชอบก็ไม่ชอบเหมือนเดิมเรื่องที่ชอบก็ชอบเหมือนเดิมเรื่องที่เป็นอดีตือยังคิดมาเหมือนเดิมวนไปวนมาเหอกแต่ความคิดที่อยู่ปัจจุบนนันมันไม่อยู่มันไม่เอานั่งตั๊กแหลหน่นกับแปอดีตไปถึงอนาคตแต่ปัจจุบันไม่เอา ปัจจุบันขณะนี้เอาเนี่ยนิมมิตะมันวนอยู่ีมคําพูดเหมือนกันหวัยกาที่แสดงออกมันไม่ไอะไรใหม่กับมันที่เดิมนิสัยก็เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างก็อยู่อย่างนั้นอยากก็อยู่อย่างนั้นอยู่กับเสียงสรารสัตว์ก็อยู่อย่างนั้ น, นคือวายกาผูจ า, าละเลยหรือไหลได้สละโอ้มดเลก็ยังอยู่เหมือนเดิม ม, มันจะแก้ไขปัจนากามันมนวนไ้มมันรูปนักนต่งนะการการะทําหรือพฤติกรรมวิสัแสดงออกก็ชัดยคุคนแทนเมั่ทําไม่มีอะไรก็กลุมแค่ไม่มีสิ่งที่เปนที่ปัญญาเป็นปรากฏ ต, ตัวขึ้นมาบอกว่านันไม่ใช่นะแต่คนยังคิดยืนละแต่คนยังพูดอยู่อย่างเงี้ยถ้าคนการการะทําหรือพฤติกรรมอยู่อางเงี้มันไม่เปนไร น, นะเหมือนติดคุ๊กติดตรางติดยังไงก็ติดอยู่อย่างเงี้ ทำแล้วคนก็จะเขากู้เขาตารางเพราะว่าตัวเองทําผิดก็สั้าๆอย่างนั้นแล้วต้องพัฒนาตัวเอนทําไมต้องติดเขาตามมาต่อว่าข้อสี่ห้าข้อนี่แหละเราไปละเมิดสีหนึ่งก็สมสีห้ามันไม่ได้เยอะเลยไปถามคนในคุกว่าเขาอะไรมาไปทํำผิดอะไรมามันก็อยู่ในสีห้าข้อนี่แหละนี่คือความสําคัญ ถ้าห้าข้อเราไม่มีก็คือสินนั่นแหละไม่มีสินนี่นี่คือความเดือดตอนจะตามมาทั้งเดือดทั้งร้อนมันก็จะตามมาอ่นถ้าไม่อยากให้มันเดือดมันร้อนก็รักษาตัวเองคือรักษากายรักษาวาจาแล้วก็รักษาใจมันก็จะไม่วนไปวนมาคือจะไม่กลับมาติดคุกติดตารางอีกคนที่วนไปวนมาทําผิดเขาก็จับพวกผิดพวกผิดเหมือนกัน จิตของดองถ้าสินห้ามันไม่ครบมันก็กลับมาติดคุกติดตารางละคุกตารางที่ว่านก็คือวะตะอัวะตตาสงสารวัดตาสงสารเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในจั ก, กรวาลนี้ไม่มีคุกไหนที่ใหญ่อะไรก็นั่นอยูแล้วคนที่ติดคุกเรื่องว่าทำกองเดียวเร้วนักโทษเป็นนักโทษชั้นดีเขาก็ลดหย่อนผ่อนโทษจาก5้าสิบปีหรือยี่สิบห้าปี ยิ่สิบปีสิบปีติดอยู่สิบกว่าปีออกมาแล้วพยายามไปทำเป็นซ้นํานะเราก็เหมือนกันถ้าเราไปเราสิ้นห้าเราไม่ครบเนะยมันก็กลับมาติดคุกคือว่าต่างเนี่ยวา่าต่างสงสารไม่ง่ายๆถ้าเราสิ้นห้าเราพับมาอีกบุญถึงมามันก็มาดูาออกมาแล้วออกมาดู อันนั้นก็คืติดคุกติดในอดไปเรนมามันติดคุอกอย่างัดิมทำยังไงต้องอยงึไม่ติดคุกก็เหมือนกับนักโทษอ่ะทำความดูความดยคือสินงห้าก็คือสิ่สมา ธ, ธิปัญญาคือจะออกจาวกระา น, า, านอุตส่าหอันนี้ได้พราะคนจะไม่กลับมาอมีกอีกคือนิพพานคือหนักคืออาศันกระดานไม่ต้องไปพวงมาแตงม่นมีอะไรปัจจัยที่ทำให้พวงาแตงไ้ไม่มีสภาวะที่เป็นเรื่องว่าเกิด ไม่มีสภาวะที่เรียกว่าวไม่มีสภาวตที่เรียกว่แปรปวนคือจิตเจอสิกรูปนิพพานกระตุ้นรานตัวสาม ต, ตัวไม่ต้องไปพูดถึงหรอกคือสังคตาธรรมถ้ามีอย่าสามตัวเรือยู่ยก็เรียกว่าสังคตาธรรมจะเป็นตัศ้ศึกษาเรียนรู้แวกเข้าใจนี่คือวัตถุประสงค์ขอการปฏิบัติธรรมอันที่สองเรือว่าประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั้นการปังนตามทุกครั้ง อยากให้เราได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่อบโโรมอยู่ก็ไม่รับประโยชน์รักษาได้ว่ามันมันทําหน้าที่ฟังคนอื่นแต่มันไม่เข้าจิตใจเพราะงั้นครูบอาจารย์ถึงบอกว่าฟังเหตเนี่ยให้เอาใจฟังมันจะได้เข้าอยู่ในใจจะไปเอาหูฟังเอาหูฟังก็ออกหูซ้ายหูขวาได้แต่สัญญาคือจําแต่ถ้าเอาใจฟังเนี่ยมันได้ปัญญา มันต่างกันตอนนั้นอยากไปเอาหูฟังให้เอาใจฟังมันจะได้ปัญญาเมื่อปัญญ า, ามันเกิดแล้วมันจะทําลายความมืดคือเอาวิชาทีา่เราไม่รู้ไม่เห็นเต็มปกปิดอยู่มาช้านานก็ค่อยเกิดเผยออกเห็นสึกอยู่ในใจของพวกเราน่าจะวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติดัง น, นั้นแกนนี้ไปพวกเรารทุกคนเวลารเราก็มีน้อยมันมีเยอะ หลวงพ่อก็วิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ได้ื่ออะไรอ่ะมันเกิดวันตายวันเผาแล้วหลวงที่ไปแสดงธรรมก็น้อยที่จรนั้นมันไปแสดงธรรมจริงน้อยไปแสดงธรรมก็ฟังไปนะฟองโดยตามโอกาสเวลาฟังเสร็จแล้วก็บอกโอ้หลวงพ่อองค์นี้เถิดดีดวงตาองค์นี้เทิดีมันก็เป็นธรรมะมันก็ดีเหมดก็ไม่ได้ด่าใครไม่ได้อยากใครมันดีหมดนะแต่ํามตัวเองดีหรือยังคนที่พูดอ่ะ ดูอยู่แล้วตัวท่านดูอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปชมท่านท่านดูอยู่แล้วอันนี้คือสาระธรรมของเราฟังรอพูดใหู้่ความคิดพอความคิดมัเป็นหนึ่งในวัตะสงสารแล้วไปการแสดงออกคือคำพูดสุอทางคือการกระทํางหรือพฤติกรรมที่แสดงออกครับเราสมาร์ควบคุมความคิดคําพูดการกระทั่งขอเองได้ในระดับใดน้งินก็ต่าง การปฏิบัติธรรมของเราชื่อว่าประปปสบความสําเร็จก็ขออนุโมทนาความดีที่เราทุกคนที่รวมกันกระทํำบนเป็ญในวระองค์พระวันสิงห์ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาความดีขอความดีนี้จะเป็นเครื่องปกปักษรักษาคุ้มครองดูแลรักษาเราย่างันว่าทําเลยยันรักษาผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ธรรมะอ น, นี้รักษาดูแลเรา จึงเป็นเชื่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกรมร็ขอธรรมะภาวนาความดีขอความดีอันนี้จนเป็นเก่บรรพกรุษของพวกเราทุกคนอย่งยางผู้ใจสุกอนว่าพอเดือนหน้าเราจะทำบุญในที่นเ้แก่บรรพกรุษก็คือพ่อแม่ปู่ย่าผู้อื่นุกคนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญชื่อพวกเราทั้งหลายได้ ت ت กระทํามันเป็นทุกครั้ง ท, ทุกวันทุกเวลาขออนุญาตคอดีทุกคน